วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่หกพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้ายหกสิบเจ็ดเป็นวันหยุดราชการคือเป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลที่ผ่านมาในวันที่สี่ วันนี้ทางราชการก็เลยมีการให้หยุดชดเชยหนึ่งวันชาวทุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใจธรรมยังมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆ เพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปธรรมะที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่อง พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสัตว์โลกอย่างไรสัตว์โลกก็คือดวงวิญญาณของสัตว์โลกชนิดต่างๆคือมนุษย์เดว์เดราฉานนเทวดาอินพรหมเปรตอสู ร, รากายหรืนอนรก เหล่านี้เรียกว่าสัตว์โลกออดวงวิญญาณที่อยู่ในใจภพที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตจภพคือกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพก็คือภพของดวงวิญญาณที่เศษกามมากุญห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลธภาพ ทั้งเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นส่วนหยาบแล้เป็นส่วนละเอียดคือรูปทิพย์เสียงทิพย์เป็นต้นมนุษย์และสัตว์ใราชานี่ก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสส่วนหยาบส่วนเทพพวกเทพพวกอินพวกพรหมหรือพวกเปรตพวกกสุลกายพวกสัตว์นกนี้ ก็เสบรูปเสียงกดลิ่นรดส่วนส่วนละเอียดยกเว้นพวกผมพวกผมนี้ไม่ได้เสบรูปเสียงกดลดิ่นรดเสบรูปประชานและอารูปประชานเหล่านี้คือสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใต้ภพที่เรียกว่าสังสารวัฏวัตฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิด มีชื่อว่าสังสารวัฏสังสารวัฏนี้ก็เป็นเหมือนคุกตารางดีๆนี่เองคุกตารางที่มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยและด้านที่สี่เรียกว่าตาย นี่คือกำแพงที่ห้อมร้อมสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงให้ติดอยู่ในกำแพงแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายพอตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดตามภพสูงบ้างภพต่ำบ้างขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่ได้ทำไว ในขณะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดละชานก็จะมีการทำบาปแล้วทำบุญแล้วพอตายไปดวงวิญญาณก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปเกิดเป็นเทพเป็นเป็นเทพเป็นพรม เป็นพระอาริยบุคคลถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงดวงวิญญาณให้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปเป็นนรกไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นสันในราชาแล้วก็พอพ้นจากอำนาจของบุญของบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กามนุษย์แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่มาเสพเสพการบ้างสำหรับผู้ที่เคยเสพการก็จะกลับมาเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสพวกที่เคยเสปรูปประชานหรืออรูปประชานก็จะกลับมาเสปรูปประชานรูปประชานด้วยการไปเป็นนักบวชพวกที่เป็นนักบวชส่วนใหญ่นี่เป็นพวกที่ในอดีตชาติ เคยเสบรูปสเสยงสบรูปประชานหรื้อรูปประชานมาคอคอยนั่งสมาธิเคยเข้าสมาธิได้เคยหาความสุขจากความสงบของรูปประชานหรื้อรูปประชานเวลาตายไปดวงวิญญาณก็ไปเกิดในรูปประพบถ้าได้ถ้าเสพรูปประชานก็ไปเกิดในรูปประพบถ้าเสบารูปประชาน ก็จะไปเกิดในอรูปภพจนกว่ากำลังของสติที่ส่งให้จิตไปสู่รูปรโลกหรืออรูปรโลกอ่อนกำลังลงหมดกำลังลงจิตก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเกิดแล้วก็พอโตอก็มักจะไปบวชกัน ไปหาที่สงบเพราะเป็นมิสฉาของจิตประเภทนี้ที่จะแสวงหาความสุขอากการทำใจให้สงบความสงบของรูปฌานหรืออูรปูปฌานส่วนพวกที่เสพการก็กลับมาเกิดก็จะมาเสพการมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะชนิดต่างๆ แล้วก็ทำบาปบ้างทำบุญบ้างตามโอกาสตามเหตุการณ์หรือตามจริตนิสัยพวกที่เคยทำบุญมาในอดีตกลับมาเกิดก็มักจะมาทำบุญต่อพวกที่เคยทำบาปในอดีตพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะมาทำบาปต่อเพราะมันเป็น นิสัยที่ขังติดอยู่กับดวงดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนทำบาปเวลาตายไปจิตก็จะไปเป็นเปรตบ้างเป็นนสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างหรือถ้ามาเกิดก็ได้ร่างกายของสัตว์ใราษฎรนพอพอหมดบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็จะกลับมาทำบาปต่อเคยทำอะไรอย่างไรไว้ก็มักจะทำกรรมเหล่านั้นต่ออย่งที่บทแห่งกรรมท่านแสดงไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะาทำกรรมอันไดไว้ดีหรือเชื่อจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผลก็คือเนี่ยไปเกิดในสวรรค์บ้างไปเกิดในนรกบ้าง ถ้าพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาทําบุญทําบาปตามนิสัยที่เคยเคยทํามาก็จะติดอยู่กับเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดวงวิญญาณดวงจิตของพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ล้นเป็นดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดกันมา เป็นเวลาอันยาวนานเรียกว่าเป็นนักโทษของสังสารวัตร ม, มาเป็นเวลาอันยาวนานและยังไม่มีเวลาไม่มีวันที่จะพ้นโทษได้โอกาสที่จะพ้นโทษออกจากคุกจรลองแห่งการเรียนไหว้ก็ตายเกิดได้นั้นก็ต้องรอให้มีพระพุทธศาสนา มาปรากฏในโลกนี้ก็คือต้องมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดทะลุแล้วก็มีพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ามามาบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกแล้วหลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่จะเอาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ การหลุดออกจากคุกตรางแห่งสังสารวัตมาเผยแพ่มาสั่งสอนให้แก่สัตวโลกให้รู้วิธีออกจากคุกตรางแห่งการเยยนว่ายตายเกิดคุกตรางของสังสารวัตรได้<ม>ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสลูเป็นบุคคลแรก<ม>ความหมายของการตัดสลูของพระพุทธเจ้าก็คือทรงได้เห็นทาง ออกจากคุกตรางของสังสารวัตน์นั่นเองเห็นทางที่จะพาให้ออกจากคุกตรางของสังสารวัฏแล้วก็เห็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่พอเห็นทั้งเหตุที่พาให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เห็นเหตุที่จะพาให้สัตว์โลก ออกจากคุกจรรางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าก็เลยสามารถนำพาดวงจิตดวงใจของพระองค์ให้หลุดออกจากคุกจรรางแห่งสังสารวัฏได้คุกจรรางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอกออกจากคุกจรรางมาก็จะเป็นนิพพานนิพพานก็คือ ที่อยู่นอกคุกตารางเหมือนพวกเราตอนนี้ไม่ได้อยู่ในคุกตารางของทางโลกทางโลกเขาก็มีคุกตารางไว้จับขังพวกที่ทําผิดกฎหมายกันพวกที่อยู่นอกคุกตารางก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่มีอิสระมีความสุขมากกว่าพวกที่ไปติดคุกติดตาราง อันใดพระนิพพานก็เป็นเหมือนสถานที่ที่อยู่นอกคุกตารางนั่นเองนอกคุกตารางแห่งสังสารวัตรนอกคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอเวลาออกมาจากคุกตารางของสังสารวัตแล้วก็จะไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนั่นเองนี่คือสถานภาพของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านี้แหละที่มีความสำคัญต่อสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่<ม>เพราะว่าท่านจะเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้บอกวิธีหรือบอกทางดำเนินเพื่อให้ออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองนี่แหละคือความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสัตว์โลก เพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสัตว์โลกก็จะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากคุกตรางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่เมื่อไรมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกเมื่อนั้นก็จะมีสัตว์โลกที่มีความศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ที่จะ นำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาหารหันตสาวก็ดีมาศึกษาและมาปฏิบัติจนในที่สุดก็จะได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แห่งการเงียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีสันโลกแม้แต่ ดวงเดียวที่จะสามารถหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่พอมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วก็มีศาสตร์โลกนับจํานวนเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านที่สามารถที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เนี่แคือความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสัตว์โลกหรือจะเรียกว่าพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ ม, มีต่อสัตว์โลกก็ได้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ก็ยังจะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมีพระพุทธศาสนาแล้ว ถมีศรัทธามีความเชื่อมีความเนื่อมใสมีความยินดีถ้าจะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเยินว่างการเกิดได้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสติปัฏฐานสูตรวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและได้แสดงตอนปลายของพระสวดว่าถ้าสามารถปฏิบัติตามคําสอนในพระสวดนี้ได้จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็ไม่ได้กำหนด ว, ว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนักบวชก็บรรลุได้คารวสผู้คองเรือนก็บรรลุได้ถ้าปฏิบัติตามได้ก็บรรลุได้หญิงก็บรรลุได้เด็กก็บรรลุได้ คนแก่คนชราก็บรรลุได้คนรวยก็บรรลุได้คนจนก็บรรลุได้เพราะในสมัยพระพุทธกาลนี้มีพระอาหารหันตสาวกมาจากทุกอาชีพทุกฐานะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชนั่งมีทั้งคารวะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนจนมีทั้งพระราชามหากษัตริย์ได้เอะ บรรลุเป็นพระอรหันตสาว ก, กันได้หลุดออกจากกองคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจำนวนมา ก, ก น, นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะสามารถทําให้กับสัตว์โลกได้อย่างแต่ว่าสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ อยู่ในทุกตรางของสังสารวัฏนี้จังเป็นที่จะต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าไม่มีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์<ม>ก็จะไม่ศึกษาคำสั่งคำสอนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนนั่นเอง<ม>ถ้าไม่ได้มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน<ม>การจะหลุดพ้นจาก คุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ยอมเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยต้องศึกษาให้รู้จักวิธีออกจากคุกตารางเมื่อศึกษารู้วิธีแล้วก็ต้องบำเพ็ญต้องปฏิบัติเรียนอย่างเดียวโดยที่ไม่ปฏิบัตินี้จะไม่ทำให้ได้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือถ้าปฏิบัติโดยไม่ศึกษา ก็จะปฏิบัติไม่ถูกทางเพราะทางนี้เป็นทางที่ไม่มีใครจะรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีพระปัญญาบาลมีที่สามารถที่จะมองเห็นทางที่ถูกปกปิดด้วยโมหะาอาวิชชาไม่ให้มองเห็นทางนี้ได้ นอกจากผู้ที่มีปัญญาบารมีอย่างพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นทางอันนี้ทางที่จะพาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการหว้นล่าตายเกิดได้ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามอย่าปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาก่อนเพราะปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษานะ้วมักจะหลงทางกันจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ควรไป แทแทนที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังจะติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แม้จะประสบความสําเร็จในความสามารถบางครั้นบางอย่างเช่นสามารถบรรลุ อ, อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเอ่อเหินเดินอากาศได้มีตาทิพมีหูทิพ การบรรลุถึงธรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นการบรรลุถึงพระนิพพานไม่ได้เป็นการทําให้จิตหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ยังจะติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าได้ศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าการที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะต้องทาอย่างไรบ้าง แล้วก็จะไม่ไปทําในสิ่งที่ไม่ทําให้หลุดพ้นจากกองทุกข์จะทําแต่สิ่งที่จะทําให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดดั ง, งนั้นการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่ต้องการจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและคําสอนของพระพุทธเจ้านีน้ ถึงแ ม, ม้จะมีมากมายเป็นหมื่นเช่นเป็นแปดหมื่นสี่พันธรรมบทที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแต่พระธรรมคำสอนเหล่านี้สามารถสรุปลงได้ในหัวข้อสามหัวข้อใหญ่ๆเท่านั้นเองสามหัวข้อใหญ่ที่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเรียนไายตาเกิดควรจะศึกษาครที่จะเรียนรู้ และควรที่จะปฏิบัติตามนั้นได้แก่อะไร mm hmm. ข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทาบาปทั้งปวง mm hmm. ข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม mm hmm. ข้อที่สามให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ mm hmm. ไม่ว่าพระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ใดก็ตามถ้ามาตัดสิ้ในโลกนี้แล้วก็จะนําเอาคําสอนเหล่านี้มาสอนเหมือนกันทุกๆพระ อ, องค์เพราะว่าการปฏิบัติตามคําสอนสามข้อนี้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะนําพา สาโลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือการละการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นวิธีการที่จะพาจิตให้ออกจากตายภพบเบื้องต้นก็ให้ออกจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายก่อน ให้ปิดประตูบายด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงเมื่อปิดประตูบายได้แล้วก็ให้ยกระดับจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาด้วยการทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆ อ, อได้ขึ้นถึงขั้นเป็นเทวดาแล้วขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วขั้นต่อไปก็ให้ยกระดับจาก สวรรค์ชั้นเทวดาให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมด้วยการเจริญเนคขมะด้วยการชำระจิตใจด้วยการชำระจิตใจคือทําจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถะ ภ, ภาวนาการภาวนานี้มีสองระดับระดับสมถะและระดับมิปัสนาระดับแรกนี้เป็นการยกระดับจิตจาก อยากเทพให้ขึ้นมาเป็นพรหมโดยการระงับการเสด็จยุบเสียงกิเลสลดผลตะพาถือถือศีลในขมมะแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบเป็นรูปประชารหรือเป็นอรูปประชารจิตก็จะยกกระดาษขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นพรหม แล้วพอได้ถึงสวรรค์ทั้นพรหมแล้วขั้นต่อไปก็ให้มาเจริญวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาศึกษาอริยสัจสีศึกษาไตรลักษณ์เพื่อที่จะดึงจิตให้ออกจากรูปภพหรืออารมณ์ภพให้เข้าสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือแผนที่อย่อคร่าว ของการที่จะพาดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดออกจากคุกตารางเหล่านี้ได้ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนตามที่ําสอนแสดงไว้ขั้นแรกก็คือให้ปิดประตูอาบาลก่อนอาบาลนี้ไปเปิดประตูได้อย่างไร ประตูอบายก็เปิดจากการเสพอบายามุกและการกระทำบาปนั่นเองถ้าเสพอบายามุกแล้วก็แสดงว่ากำลังไปยืนอยู่ที่หน้าประตูของอบายามุกของของอบายนอกจาว่าอบายามุกก็คือประตูเข้าอบายนั่นเองอบายามุกมุกก็คือประตูทางเข้าถ้าไปยืนอยู่ใกล้ประตู โอกาสที่จะเข้ า, เาไปในอบายมันก็ง่ายและเร็วถ้าอยู่ไกลจากประตูโอกาสที่จะเข้าไปในอบายก็จะยากดังนั้นจึงสอนให้ละอบายามุขอบายามุขก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันเอ้อหนึ่งไม่ดื่มสุรายาเมาของมุนเมาต่างๆพรามาดื่มสุรายาเมาแล้ว ก็จะขาดสติไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในใจได้โดยโดยอารมณ์หยาบอารมณ์ชั่วเช่นพอคิดอยากจะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีหรือพูดปดนี้ถ้าไม่มีสติก็จะปล่อยออกมาทันทีทำบาปทันทีแต่ถ้าไม่ดื่มสุรายาเมาไม่ขาดสติ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็สามารถใช้สติระงับอารมณ์ดั่างนั้นได้ไม่ปล่อยให้ออกมาทางกายทางวาจาคิดจะทำบาปก็จะหยุดได้ถ้ามีสติถ้ารู้ว่าการกระทำบาปนี้นำไปสู่การไปเกิดในบายนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆ พอรู้อย่างนี้ก็จะเกิดฮีรีโอตปะขึ้นมาฮีรีก็คือความระอายในการกระทําบาปพอรู้ดีว่าคนทําบาปนี้เป็นคนไม่ดีไม่อยากจะให้คนเขาตําหนีติดเตียนดูถูกดูแพงว่าเป็นคนไม่ดีก็จะมีความลายในการกระทําบาปอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญ ว่าเป็นคนดีคนดีก็ย่อมไม่กระทำบาปนั่นเองจึงมีความละอายเวลากระทำบาปแล้วรู้ว่าตอนเองไม่ดีแล้วเวลาทำบาป ก, <ม>ก็เลยไม่อยากจะทำบาป ม, มีความละอายในบาป<ม>เรียกว่าหีเลส่วนโอตปาคือความกลัวผลของบาปหรือโทษของบาปที่จะตามมานั่นเองทำบาปแล้วเกิดอะไรขึ้น เบื้องต้นก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาแล้วตายไปบาปนี้ก็จะดึงดวงวิญญาณให้ไปเกิดในอบายให้ไปเกิดเป็นเดราชานบ้างถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดราชานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุลกายทำบาปด้วยความมาฆาตยาบาศ เคียดแค้นโกรธเกลียดก็จะไปนรกอันนี้คือที่มาที่ไปของอบายทั้งสี่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกเกิด <c oughs> จากการกระทำบาปเกิดจากการเสพอบา ย, ยมุขถ้าไม่เสพถ้าไม่เสพอบา ย, ยมุขโอกาสที่จะไปทำบาปก็ยากกว่า เวลาที่เสบบบายามุกดังนั้นจึงสอนให้เราละเว้นจากการเสบบบายามุกเพื่อที่เราจะได้รักษาศีลคือละเว้นจากการกระทำบาปได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไปเสบบบายามุกแล้วมันจะมีความกดดันที่จะทำให้ไปกระทำบาปได้ง่ายขึ้นเช่นเดิมสุรายามาแล้วก็จะทำให้เกิด กความมึนเมาขาดสติไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่สามารถควบคุมกระทำทางกายทางวาจาได้ไม่สามารถยับยั้งการกระทำบาปได้แต่ถ้ามีสติแล้วก็จะมีมีกำลังที่จะสามารถยับยั้งได้ถึงไม่ดื่มสลายาเมาซึ่งสมัยนี้เราก็เห็นกันมีการรณรงค์ไม่ดื่มสลายาเมาแล้วขับรถยนต์ พอเวลาเมาแล้วขับรถยนต์จะไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเพราะผู้ขับที่เมาแล้วจะไม่มีความสามารถที่จะควบคุมรถยนต์ของตนให้วิ่งอย่างปลอดภัยได้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปเกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเสียหายทั้งทรัพย์สินหรือบางทีเสียหายทั้งชีวิตนี่แหละคือโทษของอบายามุก ค, คือการดื่มสุรายาเมา <c oughs> ข้อที่สองของอบายามุข ก, ก็คือการเล่นการพนันเล่นการพนันแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นอาชีพเอาเป็นเอาตายอย่าเล่นแบบนั้นถ้าเล่นกันเป็นแบบระหว่างเพื่อนถุงเล่นกันเพื่อผ่อนคลายผ่านเวลาในวันวันที่ว่างๆนี้พอหอมปากหอมคอได้เสียกันไม่มากแต่อย่าไปเล่นแบบเอา้าเพิ่งเป็นอาชีพเป็นเหมือนเป็นอาชีพ ต้องหากินด้วยการเล่นการพนันอย่างนี้ต้องมีรายได้จากการเล่นการพนันถ้าเล่นแบบนี้เดี๋ยวมันก็ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดตัวพอเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะเอาคืนก็ต้องเล่นต่อเวลาเสียหมดไม่มีเงินเล่นก็จะต้องขายทรัพย์สินขายบ้านขายทรัพย์สินต่างๆขายที่ดิน ในที่สุดก็จะหมดเนื้อหมดตัวเมื่อไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินก็จะต้องไปทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพไปเพราะไม่มีอาชีพทำมาหากินอย่างอืง่นมีอาชีพทำมาหากินด้วยการเล่นการพนันพอไม่มีเงินที่จะเล่นการพนันแล้วก็จะต้องไปหาเงินมาเล่นต่อหรือหาเงินมาเลี้ยงชีพด้วยวิธีทุจริตไปช่อโกงไปหลอกลวงไปลักทรัพย์ของผู้อื่น แล้วถ้าเวลาไปลักทรัพย์ไปปล้นไปจี้ถ้ามีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการค่ากันได้นี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการเสพบาบายมุขกุณตาการเล่นการพนันจะทาให้ต้องไปทาบาปต่อไปยังไม่ควรเล่นการพนันเป็นอาชีพเล่นพอหอมปากหอมคอ อ, อันนี้ก็ยัง ม, มีอาชีพอย่างอื่นเป็นปกติ ยังจเล่นเพื่อเป็นการผ่อนผ่านเวลาหรือผ่อนคลายเวลาเจอเพื่อนฝูงด้วยกันอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นการเล่นการพนันที่จะเป็นอบายมุกเล่นเป็นเหมือนเป็นกีฬาอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าเล่นการพนันแบบไหนเป็นเล่นการพนันแบบเป็นอาชีพเล่นการพนันแบบไม่เป็นอาชีพ แล้วข้อที่สามก็คือการเที่ยวเตยการเที่ยวเตยนี้ก็มีมีปัญหาเพราะว่าเวลาเที่ยวก็ต้องเสียเงินเสียทองไม่มีรายได้ถ้าเที่ยวมากๆเที่ยวบ่อยๆเงินทองที่มีอยู่ก็อาจจะไม่พอใช้ได้พอเงินทองไม่พอใช้แต่ยังอยากเที่ยวอยู่พะเวลาเที่ยวแล้วมันจะติดมันเป็นหนวยยาเสพติดอย่างหนึ่ง คนที่เคยเที่ยวแล้วมังอยากจะเที่ยวเรื่อยๆเยที่ยวมากขึ้นพอเที่ยวก็ต้องใช้เงินใช้ทองเวลาที่จะไปทำงานก็จะไม่มี เ, เวลาทำงานไปเที่ยวเสียรายรับก็ไม่มีมีแต่รายจ่ายเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเงินทองที่มีอยู่ก็จะไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาวิธีหาเงินหาทองโดยวิธีทุจริตไปลักขโมยบ้างไปโกหกหลอกลวง หรือไปปนไปจี้อันนี้ก็ไม่ควรที่จะทําการเที่ยวเตยแบบไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าเที่ยวแบบนานๆทีเช่นเวลาหยุดทํางานมีวันหยุดยาวหน่อยก็เลยไปเที่ยวกันพักผ่อนหย่อนใจบ้างให้มีประมาณให้รู้จักการใช้เงินใช้ทองต่อการไปเที่ยวว่าอย่าไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนขาดเงินขาดทองที่จะมาใช้กับการดํารงชีพ ถ้าไปเที่ยวแบบนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นอบา ย, ยมุกแต่ถ้าจะเอาแบบว่าเที่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะไปทํางานเลยบางทีก็เที่ยวจนกระทั่งตกงานไปเลยอย่างนี้ไม่ควรทําแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือความเกลียดค้านอยา่าไปคนเกลียดค้านเพราะคนเกลียดค้านจะไม่ทํางานทําการจะไม่หาเงินหาทองโดยวิธีสุดจริต อยากจะหาเงินหาทองโดยวิธีง่ายๆก็ต้องอาศัยการกระทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงไปหลอกลวงเป็นต้นนี่คือนิสัยของคนขี้เกียจคนขยันก็จะไม่ใช้วิธีหาเงินด้วยการไปโกหกหลอกลวงพูดจะทำงานด้วยอาชีพสุดจริะข้อที่ห้าของอบายามุขก็คือไม่ให้คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมนิตร อย่าไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเพราะเขาจะชวนเราไปเล่นการพนันอย่าไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาเพราะเขาจะชวนเราไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวเพราะเขาจะชวนเราไปเที่ยวอย่าไปคบกับคนที่ชอบความเกลียดค้าเพราะเขาจะชวนให้เราเกลียดค้านนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยง เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำบาปได้ง่ายแต่ก็ยังทำบาปได้อยู่เราจึงต้องมีฮิลิโอตบะต้องมีความละอายบาปมีความกลัวผลของบาปที่จะตามมาถ้าเรามีฮิลิโอตบะโอกาสาที่เราจะทำบาปนี้ก็จะแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ยกเว้นถ้าจะเป็นเรื่องที่มันรู้แก่โทสะรู้แก่โมหะรู้แก่โลภะ ที่มันเป็นสิ่งที่ยังมีกําลังมากกว่าที่จะยับยั้งได้เช่นบางครั้งอาจจะเกิดโทสะอย่างรุนแรงไม่มีสติสามารถยับยั้งหยุดในการที่จะไปทําร้ายผู้อื่นได้อันแต่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนานๆมันจะเกิดขึ้นจากครั้งนึงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะฝึกต้องทําคือละการกระทําบาปเพราะเมื่อเราได้ละการกระทําบาปแล้ว เราจะได้ป้องกันดวงวิญญาณของเราไม่ให้ไปตกต่ำกว่ากว่าตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้ดวงวิญญาณของพวกเราเป็นมนุษย์กันถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แต่ถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ดวงวิญญาณของเราก็จะเสื่อมจากมนุษย์ลงไปเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือเป็นนรก ขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่ามีมากมีน้อยและเหตุผลของการทำบาปทำด้วยเหตุผลนังใดนั้นเราต้องพยายามอย่าไปทำบาปเพื่อที่เราจะได้ยกระดับของเราเบื้องต้นก็รักษาระดับของการเป็นมนุษย์ไว้ก่อน พอเรารักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วเราก็จึงจะสามารถยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาได้ mm hmm. การจะขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดา mm hmm. ก็ต้องเนี่ยทำคำสอนข้อที่สอง mm hmm. คือสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ให้ถึงพร้อมคือให้ทําบุญชนิดต่างๆแล้วแต่โอกาสถ้ามีโอกาสใส่บาตรก็ใส่าบาตรไป mm hmm. ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินทองช่วยเหลือ ผูที่กขาทุกขยากเลือดร้อนก็บริจากไปถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้โรงพยาบาลก็บริจาคไปมีโอกาสบริจาคเงินให้โรงเรียนก็บริจาคไปทําความดีชนิดต่างๆหรือถ้าช่วยงานช่วยการเป็นจิตอาสามีโอกาสทํางานเป็นจิตอาสาก็ทําไปช่วยเหลือสังคมไปรับใช้สังคมไปเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล หรือจะไปปล่อยนอกปล่อยปลาไปถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้ไปซื้อโงสดก็ได้เหล่นี้ล้วนเป็นการกระทาที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดานั่นเองเทวดานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นหกชั้นด้วยกันก็นอยู่กับบุญที่ทามากทาน้อยทาบุญมากก็จะไป สวรรค์ชั้นสูงเป็นเทวเทวดาชั้นสูงทำบุญน้อยก็จะเป็นสวรรค์ชั้นต่าแต่ก็เป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากน้อยต่างกันทท้งนั้นมีความสุขทุกระดับแต่จะมีความสุขมากสุขน้อยต่างกันไปตามบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> พอยกระดับจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาได้คขั้นต่อไปก็สามารถจะยกระดับจากเทวดา ให้ไปเป็นพรหมได้การจะไปเป็นพรหมนี้ก็จำเป็นที่จะต้องระงรับการเสพกลาง<ม>เพราะว่าการที่จะไปเป็นพรหมนี้จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขนั่นเองเปลี่ยนวิธีจากการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะให้ไปสู่วิธีเสพความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบคือการฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบนั่นเอง พอเวลาใจนิ่งสงบแล้วจะเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสกรูปเสียงกิริลดโธทพะพระความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้นติสันติกําลังสุขขังสุขอื่นที่จะเหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แล้กวก็ความสุขที่ได้จากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสเหนือกวาความสุขจากการที่ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญอันนี้ก็ต้องการจะขึ้นไปสู่ระดับนั้นได้ก็จําเป็นที่จะต้องไปอยู่แบบนักบวชเพือไปถือศีลแปดขึ้นไปถือศีลแปดเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธินั่นเองเพราะถ้าว่ายัง ยังไม่สามารถรักษาสินแปดได้ยังต้องไปทำงานทำการไปทำมาห า, หากินหาเงินหาทองอยู่เวลาที่จะมาใช้ในการเจริญสติกับนั่งสมาธิจะมีน้อยมากไม่พอที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้เพราะว่าการเจริญสตินั่งสมาธิที่ให้เกิดผลนี้จำเป็นที่จะต้องทำทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากการเจริญสติ การนั่งสมาธิทางนั้นถึงจะสามารถที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบแล้วสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จยะ ย, ยกระดับจิตให้ขึ้นสูงจากเทวดาไปสู่พรมก็ต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาบำเพ็ญส ม, มถาภาวนาคือการฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้นิ่งสงบให้เป็นรูปฌาน หรือเป็นอรูปปชาญถึงจะได้ความสุขที่ทเกิดจากความสงบถึงจะสามารถยกระดับของจิตหรือของดวงวิญญาณจากเทพขึ้นมาให้ไปเป็นพรหมได้และการที่จะยกระดับนี้ได้ก็ต้องถือศีลเนคขมะเนคขมะก็คือการออกจากการเสบรูปเสียงกลิ่นเราออกจากการไม่หาความสุขจากการเสดกัน ให้มาถือศีลของนักบวชถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยโดยศีลข้อสามก็ให้ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครให้ถือศีลพรหมจรรย์แทนแล้วก็ไม่หไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานได้แต่ต้องเป็นเวลารับประทานเพื่อยับยั้งความหิวของร่างกายเป็นการเหมือนให้ยาต่อร่างกาย อาหารนี่ก็เป็นผลญารักษาร่างกายอย่างโรคของการขาดอาหารก็คือความหิวนี่<ม>ความหิวอาหารพอได้กินอาหารเข้าไปโลกนี้ก็จะถูกบรรเทาลงความหิวของอาหารก็บรรเทาลงก<ม> า, ารที่จะเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็เลี้ยงดูเพียงวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็พอคือไม่ให้กินมากเกินไปกินพออยู่ได้กินมื้อสองมื้อก็พอ แต่ไม่ให้เกินหลังเที่ยงวันไปแล้วให้กินในช่วงเช้าถึงเที่ยงเพื่อที่จะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันไปใช้ในการบําเพ็ญเจริญสตินั่งสมาธิและป้องกันนิวรรคคือความง่วงเหงาหานอนให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเราไปกินตอนบ่ายตอนเย็นเวลานั่งสมาธิตอนค่ามันจะนั่งร้อนสับประโลกมันจะง่วงแล้วมันจะหลับ แต่ถ้าเรากินเงินตอนเช้าแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอาหารได้ย่อยหมดไปแล้วอาการง่วงเหงาหานอนก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ยากอันนี้ก็ต้องถือสีลข้อหกนี้ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วบางคนก็อาจจะกินหนเดียวก็ได้บางคนถ้ายังเริ่มต้นอยู่ยังมีสติสู้ความอยากไม่ได้ก็อาจจะกินสองห็ก่อนก็ได้ แต่ถ้าปฏิบัติสติได้มากขึ้นสตินี้จะมีกำลังต้านความหิวได้มากขึ้นต่อไปความหิวอาหารมันก็จะลดน้อยลงไปถ้าได้เจริญสติให้มากขึ้นทำจิตใจให้สงบมากขึ้นเพราะเวลาจิตสงบแล้วจิตจะรู้สึกมีความอิ่มจะไม่รู้สึกหิวโหยต่ออาหารการอยากการอยากจะกินอาหารหลายๆาครั้งก็ก็จะไม่มีแต่ในเบื้องต้นถ้ายังห้ามไม่ได้ ถ้ามความอยากกินไม่ได้ก็ให้กินไม่เกินเที่ยงวันไป <Yeah. S 2> ถ้าถ้าพัฒนาสติไปได้ฝึกสมาธิจิตสงบมากขึ้นก็บางทีก็อยากจะกินแค่มือเดียวเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากจะได้เอาเวลาที่มาใช้กับการกินนี่มาให้กับการบาเพ็ญจิตตภาวนาให้มากขึ้นนั่นเองเพอเมื่อได้เห็นความ แต่เห็นผลที่เกิดจากการทํา จ, จิตให้สงบแล้วนี้จะมีความติดใจจะชอบความสงบจะรักความสงบเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันมหาศจา์ใจมันเล mm. ิศมันวิเศษต่อความสุขที่ได้จากการเสพกามเสพลูกเสพกลิ่นลดโผฏฐะวิเศษกต่อการกว่าการที่ได้ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ต่าง ได้ย่นได้ตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามได้รับการสรรเสริญยินยอด้วยการมอบรางวัลชนิดต่างๆให้มากน้อยเพียงไรก็ตา่างความสุขเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วนี้มันเหมือนฟ้ากับดินเลยผู้ใดที่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้จะเบื่อต่อความสุขอย่างอื่นจะไม่สนใจอีกต่อไป แต่ก็ยังมีความอยากที่จะไปเสดอยู่เพราะความอยากนี้เวลาที่ออกจากความสงบมันก็โผล่ขึ้นมาได้พอความสงบหรือความสุขที่ได้จากความสงบมันจางหายไปความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลื่อนลดผลทพพาต่างๆก็ยังจะมีเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องมีวิธีการที่จะต้องปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาเพื่อรักษาความสงบของใจให้อยู่ต่อไป เพราะว่าทุกเวลาที่ความสงบของใจเบาลงเสื่อมลงความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาความอยากเสกความสุขทางลูกเสียงกินรสก็จะโผล่ขึ้นมาแลถ้าปล่อยให้มันไปเสกมันก็จะดึงจิตใจให้ลงต่าแทนที่จะอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมก็จะกลับลงมาอยู่สวรรค์ชั้นเทพได้มาเสกลูกเสียงกินรสได้ถ้าไม่อยากจะให้ตกลงมาต่ำ พอได้ความสงบจากการทำสมาธิแล้ว<ม>ก็ต้องพยายามฝึกบ่อยๆรักษาความสงบนี้บ่อยๆ<ม>เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องฝึกสติต่อไปเรื่อยๆสตินี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้ใจเข้าสมาธิได้สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติก็คือการระลึกรู้ให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพื่อผูกใจไว้ไม่ให้ไปลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าไม่มีสติไม่มีอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานผูกมัดจิตใจเอาไว้ก็จะถูกกระแสของความคิดลึ่ไปคนที่ไม่เคยฝึกสติคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานนี้จะปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยไปพอลืมตาขึ้นมาใจก็เริ่มคิดละคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ ถ้าปล่อยให้ใจคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลามานั่งสมาธินี้จะนั่งไม่ได้นั่งแล้วจะรู้สึกทรมานอึดอัดใจเพราะใจคิดอยู่เรื่อยๆฟุ้งซ่านพอฟุ้งแล้วจะให้นั่งอยู่เฉยๆมันจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาจะจะทนนั่งต่อไปไม่ได้นั่งได้ก็ไม่นานบางทีสามนาทีห้านาทีก็นั่งต่อไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าได้ฝึกสติอยู่เรื่อยๆ คอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดให้อยู่กับอารมณ์เช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้แหละเป็นเครื่องผูกใจพุทเรียกว่าพุทธานุสติคาบริกรรมพุทโธนี้เป็นพุทธานุสติคือการเราลิกถึงพระพุทธเจ้านี่เองถ้าเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะไม่สามารถลอยไปกับความคิดต่างๆที่เข้ามาได้ ความคิดยังอาจจะเข้ามาอยู่ยัอาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่ไหลาตามไปกับความคิดต่างๆใจเราก็จะนิ่งขึ้นเพราะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจยิง่งถ้ายึดเหนี่ยวได้มากเท่าไหร่ความนิ่งก็จะมีมากขึ้นถ้ามีสติสามารถเกาะยึดติดกับกรรมาฐานคืออารมณ์ที่ใช้ในการผูกใจ mm hmm. เช่นพุทธานุสติ คือพุโทโธนี้ถ้าเกาะติดกับพุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้จะเข้าสู่ความสงบเต็มร้อยแล้วก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้คือขั้นแรกของการบำเพ็ญชาระจิตใจการทำจิตใจให้สงบนี้ก็เป็นการชาระจิตใจไปในตัว สิ่งที่ต้องชําระคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองที่มีอยู่ในใจทํางานตลอดเวลาและหยุดทํางานก็ช่วงที่จิตเข้าสมาธิเท่านั้นเองเวลาจิตเข้าสมาธิจิตหยุดคิดไม่คิดเรื่องอะไรเลยกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็จะทํางานไม่ได้กิเลสตัณหาจะทํางานได้ต้องอาศาัยความคิด ถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวก็จะคิดไปทางรูปเสียงกลิ่นรสพอคิดถึงรูปก็อยากจะดูพอคิดถึงเสียงก็อยากจะฟังขึ้นมาคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปหาคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะได้ขึ้นมาความโลภความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาแต่เวลาจิตนิ่งสงบไม่คิดอะไรกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถทำงานได้ช่วงนั้นก็ถือว่าจิตก็สะอาดบริสุทธิ์ช่วคราว ช่วขณะที่จิตสงบในสมาธินี้เพราะว่ากิเลสตัณหาตัวที่สร้างความเศร้าหมองตัวที่ทําให้จิตใจไม่สะอาดนั้นมันทํางานไม่ได้จิตก็เลยสะอาดบรยสุทธแต่เป็นความสะอาดบริสุทธแบบชั่วคราวช่วขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่ควบคุมไม่มีกรรมฐานไม่มีที่ยึดเดี่ยวของจิตใจ ปล่อยให้ใจเริ่มคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆพอคิดไปแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากต่างๆก็จะตามมาทันทีถ้าอยากที่จะกาจัดถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องพยายามเจริญสติถ้าเราอยู่ในขั้นสองของสติถ้าเรายังไม่ชนานาญในเรื่องของการมีสติเราก็ต้องใช้สติคอยหยุดความอยากต่างๆนี้ไปไว้ก่อนแล้วก็ กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทำใจให้นิ่งให้สงบใหม่อันนี้ก็ขั้นตอนของการฝึกสมาธิต้องฝึกสติให้มากๆให้ชำนาญจนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการพอเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วเราก็เวลาออกจากสมาธิมาเราก็ค่อยมามาชำระหรือมากําจัดกิเลตันหาด้วยอีกวิธีหนึ่ง ก็วิธีของปัญญาหรือวิปัสนาการใช้วิปัสนาใช้ปัญญานี้จะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างท้าวรนคือจะสามารถกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้มีปัญญาเท่านั้นมีวิปัสนาเท่านั้นที่จะสามารถทําลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ สติและสมาธินี้เพียงแต่กดมันกดความโลภความโกรธความหลงไวเท่านั้นไม่สามารถทำลายได้สมาธินี้ท่านถึงเปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเอาหินก้อนหินใหญ่ๆไปทับกับสนามหญ้าไว้วางไว้ตรงไหนหญ้าตรงนั้นก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าถูกหินทับเอาไว้ทําให้ไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้แต่พอยกหินออกออกจากหญ้าไปออกจากพื้นที่ไป ทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอได้น้ำได้แดดได้ผลไม่นานต้นหญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่ฉันไดสมาธิก็เช่นเดียวกันเวลาจิตเข้าสมาธิจิตนิ่งสงบกิเลสตัณหาที่เป็นเหมือนต้นหญ้าก็จะไม่สามารถงอกเงนขึ้นมาได้แต่ไม่ตายเพราะรากของต้นหญ้ามันยังอยู่รากของกิเลสตัณหาคือโมหะอาวิชชายังอยู่ฝังอยู่ในใจ พ อ, อ, อจากสมาธิมาก็เหมือนกับยกก้อนหินออกจากต้นยญ้ายาก็จะเริ่มงอกงามขึ้นอาใหม่สมาธิพ อ, อ, อจากสมาธิมาพอเริ่มคิดปรุงแต่งไปเริ่มสส่สัมผัสรับรู้เ ร, เรื่องราวต่างๆกิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ทันที<ม>วิธีที่จะทำให้กิเลสตัณหาหมดสิ้นไปจากใจก็ต้องถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหา ราคนของกิเลสตัณหาก็คือโมหะอาวิชานี่โมหะคืออะไรคือมองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสตัณหานี้มักจะมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นสุขเห็นรูปเสียงกิ่นรสว่าเป็นสุขเห็นราบยศสรรเสริญว่าเป็นสุขเพราะเวลาได้มาแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสนี้ มันเป็นของชั่วคราวมันได้มาสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะหมดไปมันจะต้องหายไปหรือจากเราไปเวลามันหมดไปหรือมันจากเราไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์คนฉลาดจึงมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความโลภความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนอนัตตาเป็นของที่เราไม่สามารถ ควบคุมมังทามให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลา <m. S 1> พอถ้ามีปัญญาพิจารณาทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างเห็นเป็นใจรักไปหมดมเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดความหลงที่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขขังอัตตาเป็ น, นิจจังสุขขังอัตตาก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดแล้วความอยากที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็จะหมดไปความสุข จากการเสพการก็จะหมดไปความสุขจากการเสพรูปประชานก็จะความอยากจะเสพความสุขจากกามก็หมดไปความอยากจะเสพความสุขจากรูปประชานก็หมดไปความอยากจะเสพความสุขจากอารูปประชานก็จะหมดไปพอเห็นด้วยปัญญาว่าความสุขเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถชำระความโลภความอยากต่างๆความหง่งต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปทำให้ใจกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา mm. ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปรศจากกิเลสตัณหาเนี่ยก็คือใจที่ได้ออกจากตายพบแล้วออกจากการมาพบเอาจากรูมาพบเ อ, อกจากอารูมาพบเพราะเหตุที่ดึงให้ใจอยู่ในกามพบคืคอกามตัณหาก็ถูกกาจัดด้วยปัญญา mm. เหตุที่ดึงให้ใจอยู่ในรูมาพบคือคื อ, คอ คือภาวะทันหาก็ถูกกําจัดด้วยปัญญาเหตุที่พาให้ใจไปติดอยู่ในอารมณ์ประพบคือวิภาวะทันหาก็ถูกกําจัดด้วยปัญญาเช่นเดียวกันเพอเหตุที่ดึงให้ใจไปติดอยู่ในตายพบถูกกาจัดด้วยปัญญาอย่างสิ้นหมดสิ้นไปอย่างถาวรแล้วจิตก็จะออกจากตายพบไปอยู่นอกตายพบเหตุที่อยู่นอกตายพบก็เรียกว่านิพานนี่ พอชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยวิปัสสนาหรือด้วยปัญญาได้แล้วจิตก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตอีกต่อไปก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่เองหลุดด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ก่อนที่จะมาชำระจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้ก็ต้องยกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นมาเป็นเทพก่อน ก็ต้องใช้การทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆแล้วก็ต้องป้องกันจิตใจไม่ให้ตกต่ำยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ด้วยการปิดประตูอบายด้วยการไม่กระทำบาปไม่เสพอบายมุกเจอละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตใจก็จะสามารถ หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสัตว์โลกที่ยังยึดติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีความศรัทธาวความเชื่อที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอนันตสาวกแล้วนำอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถ นำพาดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจของตนให้หลุดออกจากคุกรางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้พ้นโทษจากการเป็นนักโทษให้เป็นผู้ที่เป็นมีอิสรภาพสมบูรณ์อยู่กับความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด ก็คือความสุขของพระนิพพานนองของความความสุขที่อยู่นอกคุกนอกตารางสังเกตดูเวลาคนที่ออกจากคุกตารางมานี้เขาจะรู้สึกดีใจมีความสุขเพราะว่าเวลาอยู่ในคุกในตารางนี้ ถ, กกถูกจํากัดบริเวณถูกจํากัดกิจกรรมไม่สามารถทําอะไรต่างๆได้ก็ทําทให้เกิดเป็นความรู้สึกทุกข์เป็นอย่างยิ่งพอได้ออกจากคุกตารางมาแล้วรู้สึกมีความสุขมีความสบายโล่ง อ, อกโล่งใจอยากจะทำอะไรก็ทําได้ ทันใดผู้ที่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธต่อหลงแล้วก็จะมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่ไม่มีอะไรมากดดันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปไม่มีอะไรมาดินใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นหากสารโลกที่มีศรัทธาได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามก็จะได้รับผลคือการพ้นโทษออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองนี่คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวารววหาปูร า, าราิกุลเอนติสารล์ เอวเมวะอิโตทินังเตตังอุปการปติอจิตังปฏิจิตังตุมหังคิปเมวะสมิชัตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะอาบาโสยธาไมนิโชติอาบาโสยธาสัพพิเตโยวิวัจจันโตสัพพารโควินชศตุ มาเตภวัตตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนัสีลิษะนิจังวุธาปจายโนยตารุธรรมาวทานติอายุวโนสุขังฮาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคันถาน ใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบคำถามเพราะฉะนั้นใครอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อ น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ466 YouTube พระสุชาติไลฟ์340 YouTube Dr. V Channel 57วิทยุอินไลน์9 Clubhouse 9ผู้รับฟังหน้ากุฏิ156คนรวมทั้งหมด 1,037 ครับมีคำถามก็เชิญถามได้เลย มีสองคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิคำถามแรกตั้งใจนั่งสมาธิก่อนนอนวันละสามสิบนาทีบางวันก็สงบดีครับบางวันก็อึดอัดบางวันก็ไม่เป็นสมาธิควรพิจารณาอย่างไรครับก็เป็นเรื่องของสติที่ไม่แน่นอนอันไหนสติ ด, ดีก็จะสงบง่ายอันไหนสติไม่ดีใจคิดมากก็จะสงบยาก ดงนั้นก่อนจะนั่งนี้ควรพยายามเจริญสติให้มากหรือบางครั้งก็มีเรื่องราวที่เราต้องไปเกี่ยวข้องมากหรือน้อยก็มีส่วนถ้าวันไหนยุ่งกับเรื่องมากเวลามานั่งเรื่องมันก็ยังตกค้างอยู่ในใจอยู่มันก็เลยทําให้ใจสงบได้ยากดังนั้นถ้าอยากจะทําความสงบก็ควรจะลดการทํางานลดการมีเรื่องมีราวให้น้อยลงไปการปฏิบัติ ที่จะให้ได้ผลดีนี่ต้องเป็นแบบนั่งบวชเพราะนั่งบวชไม่มีงานต้องทําไม่มีเรื่องที่ต้องไปวิตกกังวลด้วยจะมีเวลาที่ทําใจให้ว่างให้สงบได้ได้มากกว่าได้ดีกว่าคําถามที่สองออนิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับและจิตผู้ที่เข้าถึงนิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับจิตไม่ตายจิตเป็นของที่เป็นมีอยู่ตลอดเวลา เป็นธาตุรู้ธารู้ที่สาอาดโดยสุดแล้วก็เรียกว่า น, นิพานค่คำถามจาก inbox คุณเนิฟมีสองคำถามครับคำถามแรกการกำหนดจิตจะตั้งฐานไว้ที่ใดครับอารมณ์คือพุทโธแต่เคยตั้งที่ปลายจมูกที่ลมเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธแต่จิตก็กลับวอกแวกฟุ้งซ่านต้องคอยดึงกลับมาบ่อยๆครับ แต่พอตั้งไว้ที่ระหว่างคิ้วและบริกรรมพุทโธด้วยมีสติกำกับกลับสงบลงและไม่วอกแวกพอมาฟังเทศองค์หลวงตามหาบัวบอกว่าที่ตั้งของจิตคือกลางอกเลยอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าต้องเปลี่ยนไหมครับของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนะี่ยที่ไหนที่มันตั้งแล้วมันสงบก็ตั้งไว้ที่ตรงนั้นก็แล้วกันคําถามที่สอง เคยนึกมีสติรู้อยู่กับแค่พุโทโธไม่ได้เอาไปตั้งที่ไหนนึกพุโทโธพุโทโธอยู่กับพุโทโธก็สงบดีครับได้ก็อยู่กับคำพุโทโธไงตั้งสติอยู่กับคําพุโทโธไม่ต้องไปตั้งที่อื่นคําถามจากทาง youtube คุณวิโรธเราต้องอยู่กับพองยุบตลอดเวลาเลยหรือไม่ครับถ้านั่งสมาธิก็ต้องอยู่กับมันตลอดเวลา จนกว่าจิตสงบนิ่งแล้วก็ปล่อยวางมันได้เขาค่อยปล่อยวางมันไปคำถามต่อไปจากคุณสุราลักษ์ผมเดินจงกรมเป็นประจำสักพักก็มีอาการง่วงขอโอกาสพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางแก้ไขอาการง่วงที่เกิดขึ้นขณะที่เดินจงกรมครับก็ต้องลดอาหารลงกินอาหารหน้อยๆลงการรับประทานอาหารมากมันก็จะทาให้เกิดความง่วงนอนได้ง่าย เองก็ต้องลดอาหารแทนที่จะกินสามมือก็ลดเหลือสองมือหรือเหลือมือเดียวหรื อ, อบางทีถ้ายังห่วงอยู่บางคนก็อดอาหารเลยก็มีอดทิลวันสองวันสามวันไปเพื่อกําจัดความห่วงคําถามจากผู้ฝากถามอารมณ์ของพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีมีอารมณ์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ ก็พระพระโสดาบันก็จะขึ้นไปเป็นพระอนาคามีพระโสดาบันก็ละสังโยชน์ได้สามข้อคือสักายาทิฏฐิวิจิตกิจฉาศีลพัตปรมา m a แต่ยังติดอยู่กับการมราคะปฏิฆะอยู่ก็พอเริ่มพิจารณาสุภาก็จะทำให้การมราคะกับปฏิฆะเบาบางลง พอเบาบังลงก็เรียกว่าเป็นพระสกิทาคามีถ้าพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถทำให้ปฏิฆะกรรมราคะหายหมดไปจากใจก็เป็นพระนาคามีคำถามต่อไปจากคุณคุณดาหนทางแห่งการพ้นทุกข์สามประการต้องมีอิทธิบาทสี่และใช้พระห้าผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ก็ต้องมีการปฏิบัติครต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนในการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญามีคำถามแล้วก็ดูพูดใกลๆดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินได้พระมัณทรงเดอนก่อนพรมภาตัดแล้วก็ก็กลัวมาก แล้วก็เมื่อศาลค้าศาลผมจะไม่ได้เคลีว่าจะเกิดคุณแบบนั้นผมต้องทำอะไรดีเพื่อมันจะไม่ได้เกิดคุณที่อนาคตพูดมาใหม่พูดช้าๆหน่อยได้ไหมตด้ผัด s u r g e r ใช่ไห ม, ไไหมอะไรนะ surgerysurgery ผ่าตัดใช่ผ at. uh ่าตัดแล้วก็ผมก็กลัวมาก uh huh. ใช่แล้วก็ผมก็ใช้คำอมิฐานได้ว่า ให้ใจสนุบไม่ได้ถ้าผมไม่อยากมันเกิดขึ้นที่อนาคตผมต้องปฏิบัติอย่างไรก็ต้องฝึกกรรมาฐานให้มากขึ้นฝึกพุโทโธให้มากขึ้นพยายามฝึกพุโทโธพุธโทโธทุกวันฝึกบ่อยๆแล้วพอเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวเพราะเราอยู่กับพุโทโธไปได้เดือนนึงเดือนนึ ง, งที่เรากลัวความกลัวก็จะหายไป อันตอนนี้ต้องฝึกพุโทโธให้งงมา ก, มากถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนถึงเวลาจะทําไม่ได้เพราะมันจะไปคิดถึงแต่ความกลัวคิดแต่เรื่องที่ทําให้เรากลัวเราต้องการดึงมันออกมาจากความกลัวนะั<ม>้นต้องดึงออกมาจากเรื่องนั้นหรือถ้าจะใช้ปัญญาพิจารณาก็พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้ใช้ร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกาย เห็นร่างกายจะเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันเราไม่ต้องกลัวมันปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีปัญญาแยกใจออกจากร่างกายได้ก็ทําให้ใจหายกลัวได้หรือต้องยอมยอมตายก็จะหายกลัวเพราะร่างกายมันในที่สุดมันก็ต้องตายมันก็ต้องเจ็บเออมีไม่ครบ ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายเราก็จะไม่กลัวเรามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นมันอันนี้ความกลัวก็จะหายไปอย่างทาวอนเลยครับผมแล้วก็ผมเพิ่งเริ่มผมเพิ่งจำว่าก็นานแล้วว่าผมเริ่มฝึกอดทนกับความเจ็บแต่ว่า ถ้าผมทำามาขึ้นไปก็จะมีะความเสียหายผมจะมีไม่เสียหายหรอกถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆนานทาทีทำเป็นเหมือนทำข้อสอบอใช่ถ้าทำบ่อยๆมันก็เสียหายได้ครับผมแต่ถ้าวันหนึ่งทำแค่ครั้งสองครั้งนี้มันไ ม, ไม่ไม่เป็นไรหรอกนั่งแล้วมันเจ็บก็ไปมันเจ็บไปใช่ไม่ไม่ไม่เกิดอาการที่จะทำให้น่่งกายที่การหรือแต่อย่างใดครับไม่ต้องกลัวหรอก ถ้าไม่ทาซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเจอความเจ็บจริงๆจะทาทาใจไม่ได้เราต้องฝืนนั่งให้มันเจ็บแล้วก็พยายามอยู่กับความเจ็บไปให้ได้แล้วต่อไปเวลาเจอความเจ็บที่เราหนีไม่ได้ทำให้มันหายไปไม่ได้เราก็จะอยู่กับมันไปได้พูดไหมครับไม่ค่อยได้ยินถ้าเจอต่อไปเวลาไปเจอความเจ็บที่เราให้มันหายไปไม่ทำให้มันหายไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไป ครับผมถ้าเราเคยอยู่กับความเจ็บได้เราก็จะอ ย, อยู่อยู่กับมันได้อย่างไม่ไ ม, ไม่มีความทุกข์แต่อย่างใดอาจารย์นะใช่ครับถ้าผมมีฝึกสติเยอะๆที่ต้อง <ผม S 2> ใช้สติก็อย่างเดียวก่อนก็ได้ถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนครับผมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป แม่ชีมีอะไรอยากจะถามกันบ้างไหมพ mm hmm. นักแม่ชีเราเชิญถามได้นะถ้ามีใครอยากจะถามเดี๋ยวจะส่งไมไปให้ยกมือขึ้นเราจะส่งไมไปให้มีไหมมีก็ยกไปส่งไปไม่มีกครยกมือเลยไม่มีก็ไม่ต้องหมดคำถามคำถามก็หมดแล้วนะครับ